2อ8อติอติเรกจีวรกะถาว่าด้วยอติเรกจีวรเรื่องพระฉับพักขี่ทรงอติเรกจีวรชุดอื่นเข้าบ้าน 347. สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขี่ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไรจีวรแล้ว จึงใช้ไตรจีวรชุดหนึ่งเข้าบ้านใช้ไตรจีวร อ, อีกชุดหนึ่งอยู่ในอารามใช้ไตรจีวร อ, อีกชุดหนึ่งลงสงน้ำบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตาหนิประนามโพนทนาว่าชะไหนพวกภิกษุฉับพักขี่จึงทรงอติเรกจีวรเล่าแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทรงอติเรกจีวรภิกษุใดทรงพึงปรับอาบัติตามธรรมสมัยนั้นอติเรกจีวรเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ ต้องการจะถวายอติเรกจีวร น, นั้นแก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่เมืองสาเกตทีนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงทรงอติเรกจีวรก็อติเรกจีวร น, นี้เกิดขึ้นแก่เรา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 อีกก้าวันหรือสิบวันจึงจะกลับมาพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเฉพาะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทรงอติเรกจีวรไว้ได้สิบวันเป็นอย่างมาก